วิธีสอนแบบที่สแบบวางกฎข้อบังคับเมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรกพระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือพลทนาตีเตียนกันอยู่มีผู้นำความมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์สอบถามพระภิกษุผู้กระทาความผิด เมื่อเจ้าตัวรับได้ความเป็นสัตว์จริงแล้วก็จะทรงตำหนิชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวมพรรณนาผลร้ายของความประพฤติไม่ดีและคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงามแล้วทรงแสดงธรรมกคาถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้นจากนั้นจะตรัสให้ทรงทราบว่าจะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อน น, นั้นๆไว้โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสง์ในถ้ำกลางสง์และโดยความรับทราบร่วมกันของสง์ในการสอนแบบนี้เพิ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงซึ่งบาลีใช้คาว่า